เพิ่งพากันตั้งใจให้ดีสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นเพราะการส่งใจไปนอกมันทำให้ใจพุ่งสัน้นสงบลงไม่ได้ต้อง ทวนกระแสจิตเข้ามาภายในคือว่าทวนความคิดความนึกนั่นเข้ามาภายในไม่ไม่ส่งจิตคิดออกไปอันนี้เป็นบทบาทเบื้องต้นแห่งการภาวนา ถ้าว่าใครทวนกระแสเข้ามาภายในนี้ไม่ได้แล้วก็ภาวนาไม่เป็นจิตสงบลงไม่ได้เพราะนั้นต้องน้อมสติระลึกเข้าไปตามลมหายใจเข้าหายใจออกจิตนี่จึงจะหยุดคิดลงได้ไม่ใช่นั้นหยุดหยุดไม่ได้ เพราะว่าจิตนี้มันต้องอาศัยสติเป็นเครื่องประครับประคองมันยึงหยุดนิ่งอยู่ได้ถ้าไม่มีสติตกำกับอยู่แล้วมีแต่มันคิดเลเื่อยเปลยไปในเรื่องต่างๆภายนอกเราให้พึ่งพากันเข้าใจที่ท่านสอนให้ ฝึกภาวนาสมาธิก็เพราะเหตุผลดังกล่าวมาเนี่ยมันเมื่อใจมันไม่ตั้งมั่นอยู่ภายในแล้วมันก็ไปเที่ยวเกาะเที่ยวคล้องอยู่กับเรื่องราวของโลกภายนอกเนาะอะไรต่ออะไรมันมันยึดถือสิ่งใดไว้มันก็ไปวิตกวุยจา์ อยู่ในสิ่งนั้นก็ให้เกิดความเสียใจบ้างดีใจบ้างก็ให้เกิดความหลงความเมาไปโดยไม่มีประโยชน์อะไรหมายก็ว่าความคิดที่คิดไปนั้นมันไม่มีประโยชน์อะไรเพราะมันมันไม่ใช่ความคิดที่กรันกรองด้วยปัญญา มันคิดไปตามสัญญาเจตสิกต่างหากให้พึงเข้าใจกันดังนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงได้ทรงสอนให้คนเรานะ่นะทวนกระแสเจิตเข้ามาภายในดังเช่นทรงสอนให้เจริญอนาปานสติอย่างนี้นะ ให้ตั้งสตินึกถึงลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นอารมณ์นี่ก็แสดงว่าทรงสอนให้ระลึกเข้ามาหาจิตเอาสติย่างเข้าไปควบคุมจิตอยู่ภายในจิตนั่นถึงจะหยุดลงได้หรืออย่างทรง สั่งสอนให้ตั้งสติไว้ที่กายที่เวทนาที่จิตที่ธรรมารมณ์ที่ทันเรียกว่าสติปัฏฐานสี่นั้นลองสังเกตดูมันก็ล้วนตั้งแต่เรื่องที่ให้มีสติระลึกเข้ามาอยู่ที่กายที่ใจนี้ทั้งนั้นเลย เพื่อจะได้ให้ใจนี่มันตั้งมั่นอยู่ภายในไม่ให้มันไปเกาะไปคล้องกับสิ่งภายนอกคนในโลกอันนี้มันจะพ้นจากโลกอันนี้ไปไม่ได้ก็เพราะว่าปล่อยจิตของตนให้ไปเกาะไปคล้องอยู่กับสิ่งที่ตนพออกพอใจต่างๆในโลกนี้เลย ไม่ใช่อื่นไกลอะไรแล้วเกิดมาแล้วก็มาบ่นทุกข์กันบนี้เบือ่อเกิดมาแล้วมาบ่นว่าเบื่อโลกอันนี้หลายแต่และมันไม่ใช่เบื่อด้วยอำนาจแห่งปัญญามันเบื่อด้วยอำนาจแห่งความทุกข์ ความวุ่นวายต่างๆเมื่อมันวุ่นวายขึ้นมาแล้วมันก็เบือ่อแต่เบื่อแล้วหากไม่รู้จักทางออกจากทุกเหล่านี้ดังนั้นความเบื่อเช่นนั้นน่ะมันไม่เป็นทางพ้นทุกข์ได้ต่อเมื่อผู้ใดได้มา พยายามเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกนี่เป็นอารมณ์จิตนี่มันก็จะไม่คิดไปทางอื่นแบบนี้นจะไม่ส่งนอกพร้อมกันนั้นเราก็นึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นที่พึ่งที่ระลึกของตน ในเมื่อสติมันนึกน้อมเข้ามาภายในถึงจิตใจแล้วก็นึกถึงคุณพระรัตนกรายแก้วสามประการนั่นแหละเป็นที่พึ่งเ mm hmm. พราะเราทุกวันนี้ผู้นับถือพระพุทธศาสนานี่เราก็เอาคุณพระทั้งสามนี่แหละเป็นที่พึ่ง ของจิตใจเพราะอะไรจึงมีที่พึ่งอย่างนั้นก็เพราะว่าโลกสันิวาตอันนี้มันเต็มไปด้วยภัยอันตรายต่อชีวิตนี้แล้วก็บางอย่างก็ป้องกันไม่ได้เลยบุคคลจะมีอำนาจวาทนามีอิทธิฤทธ ปฏิหารอย่างไรก็ป้องกันไม่ได้เพราะมันเป็นธรรมชาติของมันก็ได้แก่ความชํารุดทรุดทรมของร่างกายความแตกดับของร่างกายอันนี้นะไม่มีใครไม่มีใครป้องกันได้เลยดังนั้นเนี่ยพระพุทธเจ้าจึงได้ ทรงสอนให้หาที่พึ่งทางใจเพราะว่าร่างกายนี้จะพึ่งได้เพียงช่วงคราวเท่านั้นเองเรเราจะพึ่งตลอดไปไม่ได้เลยก่อนอื่นก็พยายามน้อมใจเข้ามาภายในนี่เลยให้เข้าใจไว้ให้ดี หลักปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี่นะบางคนก็อาจจะถึงน้อมเข้ามาแล้วก็จิตก็ไม่ยอมอยู่มันก็คิดไปอีกของเก่าอย่างนี้มันก็ต้องใช้ผะเด็ดและการฝึกจิตนี่นะถ้ามันไม่ยอมหยุดจะนี่ก็ใช้ความอดทนอะไรอดกัน้น เมื่ออดไม่คิดอะไรอย่างนี้นะมันมันก็หยุดยั่งความคิดได้แต่ทีแรกนี่มันก็อาจจะไม่ยอมหยุดอยู่บ้างนะแต่เมื่อเราอดไปทนไปนางเข้ามันก็เป็นตปะปรรมในะความอดนี่นะมันก็เผา อารมณ์ต่างๆที่จิตยึดถือไว้นล้วน่ะให้ระ ง, งับไปนะเมื่ออารมณ์ต่างๆที่จิตยึดเอาไว้ในมันดับลงไปจิตนี่มันก็รวมลงได้มันเป็นยางั้นแต่การอดกั้นต่อความคิดความนึกต่างๆอันนี้มันก็ลําบากบ้างเหมือนกันเนะี่ยแต่ก็ต้องอดต้องทน ดีกว่าที่จะมาคล้องอยู่ในโลกอันนี้ดีกว่าที่จะมาผูกพันอยู่กับโลกอันนี้การที่มาผูกพันอยู่กับโลกอันนี้เรื่อยไปเนี่ยมันมีแต่ทุกข์ทุกข์หลายการที่เราอดเราทนข่มจิตสกัดกั้นจิตความคิด ต่างๆให้ยุติลงได้ถึงแม้มันจะทุกข์จะลำบากมันก็ลำบากไปไม่นานนะพอสติมันแก่กล้าความอดทนทำใจให้เข้มแข็งหนักแน่นเข้าไปแล้วจิตนี้มันก็หยุดคิดหยุดลึกได้มันก็ อ่อนกำลัง ล, ง, ลงความคิดต่างๆมันเกิดหยุดนิ่งอยู่ได้ <c oughs> นั่นแหละจิตนี่จึงว่ามันมีลักษณะอาการต่างๆกันบางคนก็น้อมจิตลงสู่ความสงบได้ง่าย ไม่ดื้อด้านบางคนมันก็ดื้อด้านกิตนี่น้อมลงสู่ความสงบมันไม่ยอมมันยอมจากคิดส่งไปเพ่นพานไปในโลกสงสารอันนี้ <c oughs> ท่านอุปมาไว้เหมือนกับลิง อันธรรมดาลิงนี่มันอยู่นิ่งๆไม่ได้เลยลุกหลี่ลุกลนอยู่อย่างนั้นเลยนิสัยของลิงมันเป็นอย่างนั้นชอบกระโดดโรดเต้นไปตามต้นไม้ในป่าฉันใดจิตที่ไม่ได้ฝึกขนอบรมมันก็เป็นเช่นนั้นเนี่ย เพราะว่ามันเคยคิดเคยส่งจิตไปเกาะไปคล้องกับอะไรต่ออะไรในโลกนี้มาไม่ใช่ชาติเดียวเท่านี้ที่ร่วงแล้วมานั่นมันกาะส่งจิตใจไปเกาะไปคล้องพอแรงแล้วเหตุจากนั้นมันถึงได้มาเกิดอีกอยู่เนี่ย <c oughs> แต่ว่าการที่ได้มาเกิดเป็นคน อยู่ในชาตินี้นี่ก็เนื่องมาแต่ใจมันยินดีเลื่อมใสในบุญในกุศลถึงแม้ว่าจิตใจจะไม่สงบแต่ก็มีความยินดีเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ยินดีเลื่อมใสในทานการกุศลต่างๆยินดีในการรักษาศีล ใ้บริสุทธิ์มันมีความยินดีอย่างนั้นแล้วก็เป็นผู้เว้นจากบาปไม่ทำบาปมาบุญกุศลอันนั้นเนี่ก็จึงได้ส่งให้มาเกิดเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์แต่จิตนี่หากยังพุ่งซ่านเลื่อนลอยอยู่ยนั้น มันก็ต้องวกไปเวียนมาอยู่อย่างนี้ได้อีกถ้าไม่ฝึกขนจิตนี้ให้มันหยุดมันนิ่งเมื่อใดแล้วก็จะไม่หยุดการหมุนเวียนเกิดแก่เจ็บตายลงได้แต่บางทีมันก็หมุนไปสู่ทุกข์ในเมื่อจิตมันคิดไปในทางบาปอกุศลถ้ามันไม่คิดไปในทาง บาปอากุศลเพียงแต่คิดเลื่อนลอยไปตามเรื่องที่ไม่เป็นบาปต่างๆเฉยๆอย่างนี้มันก็ไม่ถึงกับว่าจะได้ไปอาบายภูมิท้งสี่มีนรกเป็นตน้นแต่มันทำให้เที่ยวเกิดเที่ยวตายอยู่ในโลกนี้ไม่มีสิ้นสุดเรื่องมันนะ่ะ ดังนั้นทุกคนต้องเรียนให้รู้เรื่องราวของตัวเองตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำสั่งสอนไว้ซึ่งพระองค์ได้ทรงแสดงไว้ว่าปัญจุ ป, ปาดานขันทาดุข่านี่ความเข้าไปยึดมั่นถือมั่นในขันห้าว่าเป็นตั ว, เ ป, ตวเป็นตนนี่มันเป็นทุกรวบยอดเลย ความทุกข์อันเกิดจากความยึดถือนี่มาก็มาแบ่งออกเป็นสองประเภทยึดถือขันห้าอันไม่ประกอบไปได้วยปัญญาประกอบไปได้วยตัณหาอาวิชชาอย่างนี้มันก็ใช้ขันห้านี่ไปทำดีบ้างทำชั่วบ้างไปอย่างนั้นนะอันเนี้ย คราวระลึกถึงความดีได้ก็ทำดีไปคราวระลึกถึงความชั่วดได้ก็ทำชั่วไปอย่างนี้แหละอันยึดถือด้วยอำนาจแห่งอวิชชาตันหานะ่ะมือนก็เป็นเหตุได้ได้รับผลทั้งสองอย่างได้รับผลเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไปในสงสารอันนี้ อยู่อย่างนั้นตามที่พระพุทธ เ, เจ้าได้ทรงตรัสรู้ในยานที่สองที่ท่านเรียกว่าจุตูปปาทยานปรีชาอย่างรู้ว่าสัตว์โลกทั้งหลายนี่นะเกิดมาแล้วก็มาทำดีบ้างทำชั่วบ้างใน ว, วันนี้ก็ได้รับผล แห่งการกระทำนั้นเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างไปในสงสารอันนี้นี่พระองค์เจ้าตััสรู้ในยานที่สองนั่นนะดังนั้นเมื่อพระองค์แสดงธรรมพระองค์จึงแนะนำให้พุทธบริษัททั้งหลายเพียรพยายามละ ก, กำมันชั่วออกจากกายวาจาใจให้ได้ ไม่เช่นนั้นก็จะหนีออกจากวังวนนี้ไม่ได้ <c oughs> ก็จะวนเวียนอยู่อย่างนั้นเนี่ยทีนี้ถ้าผู้ใดมาฝึกใจในี้ให้สงบตั้งมั่นลงในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ตั้งมั่นลงในบุญในกุศลที่ตนได้บำเพ็ญมาถือว่าเมื่อทาใจให้สงบ ลงเป็นหนึ่งแล้วก็หมายความว่าจิตของผู้นั้นเป็นอันว่ามีคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีบุญกุศลที่ตนได้ทำมาแต่ก่อนนั้นเป็นเครื่องอยู่จึงสงบนิ่งอยู่ได้ถ้าใจมันมั่นอยู่ในบุญในคุณอย่างว่านี่แล้วมันก็ไม่น้อยไปทางบาปอะไรแบบนี้นะ มันก็แสวงหาทมแต่บุญกุศลทำแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นเรื่อยไปเท่านั้นเองนะอย่างว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีใจเป็นใหญ่เป็นประธานถ้าฝึกใจนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ในทางที่ดีแล้วมันก็ไม่หมุนไปในทางชั่วคนเรานะให้สังเกตดูจิตใจของตนทุกคน ว่าทุกวันนี้นะใจเรามันยังคิดหมุนไปทางชั่วมีไหม่เส้ น, นคิดไปพอใจในการที่ฆ่าสัตว์คิดไปอยากจะไปลักไปล่อเอาของผื่นอาเป็นของตนหรือไปชอบโกงหล อ, อกลลวงผู้อื่นให้เสียทรัพย์เสียสินหมู่นี้นะ มีไหมในใจนั่นนะหรือว่าใจนี่มันอยากไปทำชู้กับสามีกับภรรยาของคนอื่นอันนี้เรียกว่าความคิดความนึกของจิตใจเนี่ยมันอยากจะพูดเท็จพูดเรื่องไม่จริงคำไม่จริงหลอกคนอื่นให้เสียทรัพย์เสียสินก็ดีจิต ทุกวันนี้นะมันคิดจากส่องเสพของมึนเมาต่างๆหรือไม่เช่นสุราเมรัยกัญชายาผินเฮโรอีนมูนี้มันชอบหรือไม่นี่อันบรี่เป็นหน้าที่ของพุทธบริษัททั้งหลายจะพึงพิจารณาตัวเอง พิจารณาจิตตัวเองนั่นแหละเมื่อเมื่อรู้ว่ามันไม่ต้องการแล้วไม่ต้องการทำแล้วกรรมชั่วต่งตางๆเหล่านี้เช่นนี้แล้วกว็รักษาความรู้ความเห็นอันนั้นไว้ให้ได้รักษาความคิดอย่างว่านั้นไว้ให้ได้อย่าไปปล่อยให้จิตมันเผลอ คิดไปในทางเบียดเบียนดังว่านั้นต่อไปเมื่อรักษาจิตตรงนี้ไม่ให้วิตกไปในทางอากุศลแล้วความประพฤติ ท, ทางกายวาจามันก็มีแต่าทางดีสม่ำเสมอไปเรื่อยๆไปนม่จะทำอะไรพูดอะไรก็ชอบที่จะเป็นประโยชน์ตนและพวกอื่นไปเรื่อยๆ พูดถึงการคิดการนึกเกี่ยวแก่การเจริญสมถาวิปัสนาอย่างนี้นะมันก็ไปได้คล่องแคล่วในเมื่อฝึกใจให้ตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมอย่างว่านั้นใดมันก็เป็นบอกเกิดของปัญญาอยู่ตลอดเวลานะบุคคลผู้มีใจตั้งมั่นแล้วย่อมคิดแก้ปัญหา ความขัดข้องของชีวิตได้อย่างว่องไวทันกับเหตุการณ์เมื่อเกิดมีอุปสรรคอะไรขึ้นในชีวิตจิตใจอันนี้มันก็มองเห็นช่องทางที่จะแก้อุปสรรคอันนั้นได้โดยปลอดโปร่งดังนั้นท่านผู้มีสมาธิจิต แล้วจึงไม่มักไม่ค่อยมีเรื่องยุ่งเหยิงเท่าไรไม่ค่อยก่อเรื่องทรวิวาทกับผู้อื่นก็ไม่เอาก่อความทุกข์ความโศกให้แก่ตัวเองก็ไม่มีเนื่องจากว่าผู้มีใจตั้งมั่นแล้วอย่างนี้มีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมามันก็ กำหนดเรื่องนั้นพิจารณาได้เห็นแจ้งประจักษ์ขึ้นมาได้เห็นว่าทุกทสิ่งทุกอย่างเมื่อมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็แปรปรวนแตกดับไปไม่มีอะไรเที่ยงยั่งยืนเลยจะเป็นเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรก็ตามเลยมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปจึงไม่เป็นสิ่งที่ควรยึดถือเอา โดยเฉพาะเรื่องชั่วเรื่องที่จะทําทให้ใจโลภใจโกรธใจหลงไปต่างๆนานานอย่างนี้นะมันล้วนแต่เป็นเรื่องที่ไม่ควรยึดถือไว้ทางนั้นนะถ้าขืนยึดถือไว้มันก็ก่กอให้เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมา ก, ก่อให้เกิดมานะทิฏฐิขึ้นในใจ ก็ทำให้ใจหันไปในทางอากุศลแล้ววันนี้วิตกไปในทางอากุศลเมื่อใจมันน้อไปทางอากุศลมันก็ใช้กายทำใช้วาจาพูดไปในทางอากุศลนี่มันเป็นอย่างนี้เรื่องมันนะความชั่วร้ายทั้งหลายที่แสดงออกไปทางกายทางวาจาเนะี่ยมันก็ออกไปจากกิจที่ไม่สงบนี้เองนะ อย่าไปโทษคนอื่นว่ามาเบียดเบียนตนอย่างโน้นอย่างนี้ตนถึงได้โกรธตนถึงได้เดือดร้อนเป็นทุกข์ไม่ควรจะไปโทษคนอื่นอย่างนั้นโทษตัวเองนี่ไม่ฝึ ก, กจิตใจให้ตั้งมั่นต่อกุศลธรรมมันถึงไม่มีปัญญารู้เท่า ความดีความชั่วในโลกนี้เพราะว่าความดีความชั่วมันเกิดจากคนวันนี้เราจะไปเทียบปราบบุคคลในโลกอันนี้ไม่ให้ทําชั่วผููชั่วด้วยอํานาจอาจญาตต่างๆนี่มันไม่ได้นะไม่มีใครทําได้ในโลกอันนี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้ ปราบตัวเองนี่แหละอย่าไปคิดปราบคนอื่นเมื่อปราบใจตัวเองได้ห้ามใจตัวเองได้แล้วอย่างนี้นะมันก็ไม่มีความเดือดร้อนอะไรมันจะเดือดร้อนอะไรเช่นเขาเขาด่ามาอย่างเงี้ยเราก็ไม่ด่าตอบซะแล้วเรื่องมันก็ไม่ลุกรามตอ่อไปอีก เราก็ไม่ยึดเอาคำด่าของเขามาไว้ในใจมาวิตกวิจารว่าคนนั้นด่าเราคนนี้ด่าเราคนนั่นเสียดสีเราไม่วิตกมันเลยเพราะอันนั้นมันเป็นสมบัติของคนอื่นเขาทัางหากคำด่าว่าเสียดสีนั้นนะมันไม่ใช่เป็นสมบัติของเราแล้วมันก็เป็นของไม่ดีเราจะไปยึดเอามาทำไม ก็สอนใจตัวเองเข้าไปอย่างนี้นีะเมื่อสอนใจตัวเองได้มันก็โปรงก็ว่างได้เมื่อเมื่อได้กระทบกระทั่งกับเรื่องไม่ดีเอแต่ละครั้งละครั้งเราก็เอาชนะใจตัวเองได้ไม่ยึดไม่ถือเอาไว้ในใจนานไปนานไปมันก็รู้เท่าทันแลยวันนี้นะ มัอเรื่องไม่ดีเรื่องชั่วต่างๆกระทบกระทั่งมามันก็ไม่ตื่นเต้นไม่วันไว้นี่พรฝึกมาแล้วนี่ฝึกปล่อยฝึกวางมาแล้วจนชินเลยทีเดียวมันต้องเป็นอย่างนี้นะการฝึกขนจิตใจนี่นะให้พากันเข้าใจเราจะปล่อยให้จิตมันยึดถือเรื่องชั่ว ไว้ในใจอยู่อย่างนั้นมันก็เดือดร้อนอยู่ยนั่นนียแล้วก็มักจะไปกระทบกระทั่งกับผู้อื่นเรื่อยไปผู้มีใจร้อนอยู่ด้วยเรื่องชั่วต่างๆเหล่านั้นนะดังนั้นแหละมนุษย์เรานะ่ะมันจึงทะเลาะวิวาดกันอยู่บ่อยๆผูกเวรต่อกันและกันอยู่อย่างนั้นไม่หยุดอยั้ยงนะ กระเพาะใจนี่แหละมันไปยึดเอาความชั่วของคนของคนอื่นเอมาไว้เป็นอารมณ์ดังนั้นมันจึงคิดแก้แค้นกันอยู่ไม่รู้แล้วรู้รอดแล้วยังไม่เห็นว่ามันเป็นทุกข์การไปยึดเอาความชั่วของผู้อื่นมาเป็นสมบัติของตนเอง ถ้าผู้ใดทวนกระแส จ, จิตพิจารณาได้ว่าการไปยึดเอาเรื่องชั่วที่ผู้อื่นระบายออกมาจากภายในจิตใจนั่นมาไว้เป็นสมบัติของตัวนี้มันเป็นทุกข์มันเดือดร้อนหลายมันทําให้เกิดอกุศลจิตขึ้นมาไม่ดีเลยถ้าคิดเห็นอย่างนี้แล้วผู้นั้นมันก็ปล่อยกว็าวางทิ้งไปเลยเรื่องนั้นน่ะ ไม่ยึดไลยแล้วแต่นี่มันมันไม่ได้ทวนกระแสจิตเข้ามาพิจารณาเห็นโทษของความยึดถือในเรื่องที่ไม่ดีนั้นคนเรานะ่ะมันจึงเป็นอย่างนั้นขอให้เข้าใจ <c oughs> ดังนั้นในการภาวนานี่นะมันจึงชื่อว่าเป็นกิจที่เราจะต้องทำโดยตรงเลยนะ ถ้าผู้ใดไม่ฝึกขัดภาวนาอย่างว่านี่มันก็ไม่มีทางจะพ้นจากทุกในสงสารอันนี้ไปได้เลยทำบาปทำกรรมอยู่อย่างนั้นเนี่ยจะต้องเป็นผู้ทำดีบ้างทำชั่วบ้างติดตัวไปอยู่อย่างนั้นแล้ววันนี้ก็ ได้สวยทั้งสุขได้สวยทั้งความทุกข์สับสนปนเปนกันไปอยู่อย่างนั้นนะนี่ลองคิดดูให้ดีมันเป็นอย่างนี้แหละบุคคลผู้ไม่ฝึกฝนจิตตัวเองนี่นะแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะคิดชั่วยอยู่ตลอดเวลาหรอกแต่คราวคิดดีมันก็คิดดีก็ทําดีไป แต่ใจที่ไม่ได้ฝึกให้ตั้งมั่นแล้วเมื่อเวลาเรื่องชั่วมากระทบเข้ามันถักทนไม่ไหวมันไปนคิดชั่วไปตามเรื่องชั่วนั้นเสียอย่างนี้ให้เข้าใจเหตุ <c oughs> นี้จิตที่ฝึกฝนให้ตั้งมั่นลงไปอยู่ในกุศลธรรมแล้วเวลาเรื่องชั่วกระทบกระทั่งเข้ามามันไม่วันไหวมันก็รู้เท่าทัน รู้ว่าเรื่องนี้ชั่วไม่ควรยึดเอามาไว้มันจะเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ขึ้นในใจเมื่อมันรู้อย่างนี้แล้วมันก็ปล่อยทิ้งเลยไม่ยดึดไม่พิตกวิจารไปไม่เสียใจไม่กโกรธไม่เกลียดไปตามเรื่องชั่วที่บุคคลอื่นหยิบยื่นเอามาให้นั้นเมื่อทำได้อย่างนี้ผู้นั้นก็ รักษาบุญกุศลความดีไว้ในใจของตนได้สม่ำเสมอไปสิ่งใดชั่วก็ไม่ยึดถือเอาอย่างนี้จึงชื่อว่าได้ปฏิบัติตามพุทธโอวาทศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ประเสริฐในโลกโดยแท้จริง หยุดพุ่งหมายของพระพุทธเจ้านั่นก็เพื่อที่จะให้พุทธบริษัททั้งหลายได้เพียรพยายามละกรรมอันชั่วออกจากกายวาจาใจของตนแล้วก็สอนให้เพียรพยายามกระทำกรรมอันดีที่เป็นประโยชน์ตนและผู้อื่นให้เกิดมีขึ้นในกายวาจาใจของตน แล้วให้เพียรพยายามชำระใจอันนี้ให้ของใสสะอาดปราศจากกิเลสตัณหาอาวิชชาโนยใหญ่ทั้งหลายซึ่งเป็นข้อปฏิบัติข้อสุดท้ายอันข้อปฏิบัติข้อสุดท้ายนี่เนี่ยมันก็แล้วแต่กำลัง คว า, าความสามารถของแต่ละบุคคลจะชำระจิตของตนให้หมดจดจากกิเลสตัณหาได้มากน้อยเพียงใดอันนั้นก็ไม่เป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างยิ่งเหมือนอย่างการละความชั่วเมื่อบุคคลมา เพียรพยายามละกรรมมันชั่วออกจากกายวาจาใจได้แล้วตั้งหน้าทำด้วยความดีอันนี้สำคัญมากเพราะว่าเมื่อบุคคลละชั่วได้แล้วตั้งหน้าทำความดีเรื่อยไปแล้วอย่างนี้มันก็เป็นการชำระจิตใจอยู่ในตัวเลยวะนี้อาศัยบุญกุศลความดีต่างๆหมูนี้เนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นในใจแล้วมันก็กาจัด กิเลสออกไปเรื่อยๆไปแต่ว่ามันมันไม่ได้กำจัดทีเดียวหมดไปเลยได้มันค่อยกำจัดออกไปทีละน้อยละน้อยออกไปอยู่อย่างนั้นแหละเพราะว่าอินทรีย์มัยังไม่แก่กล้าพอนะมันก็จะไปกำจัดกิเลสให้ขาดจากสันดาน ในคู่เดียวขนาดเดียวได้อย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้มันต้องให้เข้าใจก็เราจึงต้องเพียรพยายามเพียรพยายามไปเรื่อยๆเลยเมื่อเราจับต้นทางได้แล้วนะเหมือนอย่างบุคคลเดินทางนะเมื่อเราจับต้นทางที่ถูกต้องตามเป้าหมายที่เราจะต้องไปได้แล้ว ก็พยายามเดินไปเรื่อยๆถึงแม้จะมีการพักผ่อนบ้างก็ได้ตั้งใจอยู่เสมอว่าเราจะพักผ่อนเพียงชัวง่วคราวเท่านั้นเมื่อมีแรงแล้วก็จะเดินทางต่อไปจนถึงจุดหมายปลายทางนี่ตั้งใจว่าอย่างนั้นแล้ว เมื่อพักผ่อนไปมีมีแรงแล้วก็เดินทางต่อไปนี่สำหรับผู้เดินทางไกลมันก็ต้องอย่างนั้นแหละมันก็จึงถึงจุดหมายปลายทางได้ข้ออุปมานี่ชั้นใจก็อย่างนั้นแหละ <c oughs> ก็เมื่อบุคคลมาบำเพ็ญทางจิตใจไปอา้าพยายามเพ่งจิตอย่างที่ แสดงมาแล้วนั่นเนี่ยข่มจิตอดกั้นทนทานต่อความคิดความนึกต่างๆที่มันเคยคิดเคยฟุ้งซ่านมาแต่ก่อนนะั่ปพยายามอดกั้นทนทานไปภาคเพียนเฮ่งพินิษเข้าไปออย่างนี้มันก็เหนื่อยใจพอได้เหมือนกันนะอ ม, มาก็ว่างนั้นเลยเหมือนอย่างคนเดินทางนั่นเลย เดินไปเดินไปทางร้อนทางเหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าอดไปทนไปถ้าไม่เหลือวิสัยยิงๆเนะี่ยอันนี้ก็เหมือนกันเนี่ยการฝึ ก, กจิตใจนี่ถ้าไม่เหลือวิสัยยิงกิงแล้วก็อดทอนเพ่งพินิษต์อยู่ภายในนั่นะหอะถ้าไม่อดไม่ทนไม่ได้นะเพราะว่ากิเลสนี่มันมีพิษมันร้อน เมื่อกิเลสมันกำลับขึ้นมาแล้วมันก็ทําให้จิตนี่ร้อนเผาไปอย่างนั้นเมื่อจิตนี่ร้อนแล้วมันก็สงบนิ่งอยู่ไม่ได้มันชอบอยากจะคิดส่งสัยไปทั่วเลยมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะแต่แล้ววันนี้เราก็ต้องรู้ความจริงของกิเลสซะก่อน ความจริงของกิเลสนี่มันก็เป็นของไม่เที่ยงไม่ใช่ว่ามันเกิดขึ้นแล้วมันดับไปได้เลยมันเที่ยงไปเลยอย่างนี้ไม่ใช่มันเป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันเพราะมันเป็นความคิดนี่นะความคิดของกิจเนี่ยก็ลองสังเกตดูสิความคิดของกิจนี่มันเที่ยงมาแต่ไหนล่ะพอคิดขึ้นมาแล้วมันก็ดับไป ค so ิดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเรื่องนี้ดับไปแล้วมันไปคิดเรื่องใหม่ขึ้นมาแล้วก็ดับไปอีกแล้วก็คิดเรื่องใหม่ขึ้นมาอยู่อย่างนั้นนี่ความความคิดเหล่านี้นะความคิดเป็นบุญก็ดีความคิดเป็นบาปก็ดีมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้น แต่ความรู้นั่นสิมันปรากฏอยู่คงที่นั่นเมื่อเราเข้าใจอย่างนี้แล้วไม่ส่งเสริมความคิดที่เป็นบาปอากุศลเราส่งเสริมความคิดที่เป็นบุญเป็นกุศลเรื่อยไป <c oughs> อย่างเช่นท่านแนะนําให้บริกรรมพุทโธอย่างนี้นะ เมื่อจิตมันชอบอยากคิดไหลก็เอาให้มันคิดพุทธโธยึดเอาคุณพระพุทธเจ้านั้นเป็นอารมณ์เครื่องคิดนึกเพราะว่าพุทธโธคุณ น, นี่เป็นของเย็นไม่เป็นของร้อนเป็นฝ่ายกุศลไม่ได้เป็นฝ่ายอากุศลดังนั้นเมื่อผู้ดใดดำริผู้ใดคิดนึก ไปเท่าใดบริกรรมไปเท่าใดจิตใจนี้ก็เยือกเย็นไปเท่านั้นจิตใจนี้ก็เบิกบานไปเท่านั้นให้เข้าใจเนี่ยที่ท่านสอนให้บริกรรมพุโทโธนะมันมีความหมายอย่างนี้แล้วอกุศลที่มันเกิดขึ้นในใจนั้นมันก็ระงับไป ที่มาทำใจให้ร้อนวู้วามต่างๆนานาเนั่ น, น, น, นเมื่อพุทโธคุณบังเกิดขึ้นในจิตแล้วอกูสนวิตตกเหล่านั้นมันก็ดับไปใจก็เย็นลงออลองทำดูก็ได้นะเช่อนอย่างว่าคนบางคนมันห้ามความโกรธในใจไม่ได้บางคราว มีอารมณ์ไม่ดีกระทบมาแล้วมันโกรธขึ้นมาใจก็ร้อนเผาขึ้นมาอย่างนี้อพอรู้สึกตัวได้นึกพุทโธขึ้นมาเลยวนีอนึกพุทโธขึ้นในใจได้แล้วก็นึกถึงพระพุทธเจ้านั่นโอ้พระพุทธเจ้าพระองค์ไม่โกรธเนอะพระองค์ล ะ, ะความโกรธได้แล้วนอองั้นนี่พอพอนึกได้อย่างนี้แล้ว ไอ้ความโกรธอันรุนแรงอยู่นั้มันก็เบาลงเบาลงแต่ว่าต้องประคับประคองจิตให้นึกพุทธโธให้ติดต่อกันไปนะอย่างนี้แหละนี่เมื่อพุทธโธคุณบังเกิดขึ้นในจิตแล้วอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความโกรธฉุนเสียว่ังก่าวนะ่มันก็ค่อยเบาลงเบาลงจิตก็เย็นลงไปโดยลำดับ ในที่สุดมันก็ระ ง, งับลงไปได้อารมณ์ที่ก่อให้เกิดความโกรธ น, นั้นความเย็นใจก็เกิดขึ้นมาแทนเันเป็นงั้นแต่เราต้องทำความเชื่อในใจจริงๆลงไปถ้าหากว่าไม่เชื่อมั่นต่อพุทโธคุณนี่จริงๆแล้วมันก็จะสู้อำนาจของกิเลสไม่ได้ เรื่องของเรื่องมันเป็นอย่างนั้นเนื่องจากว่ากิเลสนี่มันก็มีอิทธิพลไม่ใช่น้อยเหมือนกันนี่นะเออดังนั้นเราจึง ต, ต้องสร้างอิทธิพลฝ่ายกุศลฝ่ายดีนี่ให้มากขึ้นกวัวอิทธิพลของกิเลสนั้นซ้ำเป็นไรนั่นมันมันจึงจะ ทำกิเลสนี่ให้อ่อนกำลังลงได้ถ้าหากว่าเท่ากันอย่างนี้มันก็มันก็ทำให้กิเลสนี่อ่อนกำลังลงไม่ได้ <S <S เหมือนอย่างนักมวยอย่างเงี้ยถ้ามีกำลังเสมอเสมอกันแล้วก็เอาชนะกันไม่ได้ต้องเสมอกัน <S <S 1> <S 1> มันเป็นอย่างนั้นอันนี้ก็ สันใดก็อย่างนั้นเลย <c oughs> เมื่อผู้ใดรู้อย่างนี้แล้วก็จึงต้องทำความเพียรพยายามนะสั่งสมบุญกุศลให้มากขึ้นไปโดยลำดับไม่ถอยหลังเป็นอย่างนั้นเช่นอย่างว่าเราสร้างความคิดความนึก อันประกอบไปด้วยเมตตากรุณาอย่างนี้นะก็พยายามสร้างให้มากๆเลยมองเห็นสร้างขึ้นมาจนมองเห็นศัตรูนั่นกายว่าเป็นมิตรไปหนุนนะ่ะโอ้คนผู้นี้แต่ก่อนเป็นศัตรูเราเรารู้สึกอย่างนั้นแต่บัดนี้เรารู้สึกว่าคนผู้นี้นะ เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งนั้นแหละนี่เขาไม่ได้เป็นศัตรูอะไรเราหรอกเพราะเราไม่ต้องการเป็นศัตรูกับเขาเมื่อเราไม่ต้องการเป็นศัตรูกับเขาแล้วเขาก็ไม่เป็นศัตรูกับเราเจริญเมตตาพิจารณาลงไปอย่างนี้เท่านี้ก็ยังไม่พ อ, เ, อเพ่งลงไป ให้เห็นลงไปว่าธาตุสี่ขันหานี่ทั้งทั้งที่ตนอาศัยอยู่นี่ก็ดีทั้งที่คนอื่นอาศัยอยู่ก็ดีมันก็รู้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงมันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยของมันเมื่อเหตุปัจจัยมันยังมีอยู่มันก็เป็นอยู่ไปได้ถ้าเมื่อเหตุปัจจัยนี่มันหมดลงไปธาตุสี่ขันหานี่มันก็แตกดับทำลายลง ก็จึงไม่จำเป็นต้องไปไปทุบไปตีไปทาลายธาตุสี่ขันห้าของใครตัวของใครหรอกมันถึงเวลามันแล้วมันแตกมันทำลายไปเองมันไ ม, ไม่ไม่ไม่ใช่อยู่ในบังคับบัญชาของผู้ใดเมื่อแต่ธาตุสี่ขันห้าที่ตนอาศัยอยู่นี่ก็เหมือนกันไม่แตกต่างกันเลยนี่เพ่งพิจารณาลงไปอย่างนี้ มันก็ยิ่งเป็นการถอนรากเหง้าของความโกรธความมายบาทต่างๆนี้ออกไปเรื่อยๆทีเดียวถึงไม่หมดก็เรียกว่าเบาไปมากอ่ะนี่ท่านเรียกว่าจเจริญทั้งสมถะทัางวิปัสนาควบคู่กันไปเลยให้พากันเข้าใจดังนั้นเน่ยหลักสำคัญจึงอยู่ที่สมาธินั่นเอง ถ้าหา ก, กว่าสมาธิไม่แข็งแรงปัญญาก็อ่อนแอเหมือนกันนะเป็นอย่างนั้นอย่างว่าปัญญาอาศัยสมาธิหลักนี้นะต้องจำไว้ให้มั่นเลยทีเดียวดังนั้นเวลาใดถ้ารู้สึกว่าใจนั้นมันไม่สงบมันฟุ้งซ่านเลื่อนรอยแล้วอย่าพึ่งไปคิดธรรมะ อย่าพึ่งไปพิจารณาอะไรก่อนท้องพยายามระงับความคิดอันนั้นด้วยสติด้วยสมถาวิธีอย่างที่ว่ามาแล้วนั่นเลยผู้ใดเคยทำใจให้สงบด้วยกรร ม, มวิธีอะไรจำเอาไว้ให้ได้แล้วเวลาเผลอๆจิตมันฟุ้งซ่านไปก็นึกถึงกรร ม, มวิธีอันนั้น ให้ได้แล้วก็เพ่งกรรมฐานอันนั้นให้ปรากฏขึ้นในจิตต่อไปเมื่อกรรมฐานอย่างนั้นปรากฏขึ้นในจิตแล้วจิตจะสงบลงได้ยกตัวอย่างเส้นผู้เพ่งลมหายใจเข้าออกอย่างนี้นะถ้าเมื่อลมหายใจเข้าหายใจออกปรากฏอยู่ในความรู้สึกอันนั้น ติดต่อกันไปแล้วอย่างนี้ใจย่อมสงบลงได้จริงๆนะหรือว่าผู้ชอบบริกรรมพุทโธอย่างนี้นะถ้าหากว่าพุทโธปรากฏอยู่ในความรู้สึกอันนั้นเนะสมอเสมอไปนล้แน่นอนนะจิตย่อมรวมลงได้จริงๆนะหมายความว่า จิตนั้นไม่รู้อะไรอันอื่นนะรู้แต่พุโทโธอยู่ปัจจุบันเท่านั้นอย่างนี้นะรู้แต่พุโทโธติดต่อกันไปเรื่อยๆไปอย่างนี้ทำได้อย่างนี้ไม่นา น, นจิตรวมลงได้เมื่อจิตรวมลงไปได้อย่างนี้พุโทโธก็ล ง, งับกลายเป็นความรู้วันนี้นะนี่ เหลือความรู้กับสติตั้งลงในปัจจุบันนี่ไม่ไม่ต้องได้คมแล้ววันนี้นะมันมันเป็นเองนะวันนี้นะมันตั้งอยู่โดยลำพังตัวเองเนะี่ยเพราะว่าพุทโธน่ะเป็นตัวสติทีนี้เมื่อตัวสติคือพุทโธเนี่ยซึมทราบเข้าสู่จิตใจได้แล้ว จิตคือความรู้สึกอันนี้นะมันก็ตั้งอยู่ได้โดยลำพังโดยมีสตินั่นแหละกำกับอยู่จิตไม่ได้อยู่ด้วยอารมณ์อย่างอื่นมันเป็นอย่างนั้นเรื่องมันนะมันก็ประคองกันอยู่ได้อย่างนั้นฝึกเข้าไปบ่อยๆเข้าไปปรากฏว่าจิตนี้ก็เป็นสมาธิอยู่ ทั้งกลางวันและกลางคืนเรียกว่าตั้งมั่นอยู่ทั้งกลางวันและกลางคืนหมายความว่าอย่างนั้นไม่เช่นนั้นแล้วก็จะเจริญวิปัสสนาให้ติดต่อกันไปไม่ได้เลยมันก็ขาดตอนเป็นวักเป็นตอนไปเดี๋ยวก็หลงเสียใจเดี๋ยวก็หลงดีใจ เศร้าโศกไปขับแค้นใจไปเป็นระยะระย ะ, ะเมื่อสมาธิมันถอนออกไปแล้วมันเป็นอย่างไนเรื่องมันนะการที่บุคคลประคองขิดตัวเองอยู่ได้เรื่องชั่วเรื่องไม่ดีอะไรกระทุ้กระทั่งมาก็ไม่เสียใจไม่เศร้าโศกไม่โกรธไม่เครียดอย่างนี้ได้นั่นก็แสดงว่าสมาธิของผู้นั้นนะไม่ถอนไม่เสื่อม อสมาธิมีอยู่กับจิตหมายถึงว่าจิตผู้นั้นตั้งมั่นอยู่สม่ำเสมอไปอเป็นอย่างนี้ให้สันนิฐานดูผู้ปฏิบัติธรรมผู้เจริญภาวนาทั้งหลายเน่กะก็ต้องสันนิษฐานตัวเองไปอย่างนี้หละถ้ารู้ว่าจิตดวงนี้ยังพลิกแพงไปอยู่เป็นคลางเป็นคราวอย่างนี้ก็แสดงว่า สมาธินี่ยังไม่ตั้งมั่นสม่ำเสมอไปไดเ้เราก็พยายามกระชับสตินี่ให้เข้มแข็งเข้าไปเรื่อยๆพยายามน้อมสติเข้าไปควบคุมจิตให้ติดต่อกันไปเรื่อยๆหมายความว่าพยายามทำความรู้สึกกับดวงจิตอันนี้น่ะให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เพราะตามธรรมดาคนเราเนี่ยมันลืมจิตตัวเองนี่แหละเป็นระยะระยะไปน ะ, ะบางทีเผลอไปเรื่องไม่ดีแล้วเมื่อเรื่องไม่ดีนั้นมันมากระทบจิตให้ร้อนวู่แล้วจึงรู้สึกตัวได้ก็มีอโอ้เรานี่มันเผลอไปแล้วนี้ อ, อย่างนี้แหละ ให้สันนิฐานตัวเองให้มันได้แต่คนส่วนมากน่ะมันไม่รู้สึกตัวอย่างนี้ไ อ, อ้ตนเผลอตนเสียใจห่าตนสะดุ้งตกใจอะไรอยู่นี่ก็ก็ไม่ถือว่าเป็นความบกพร่องของตัวเองเมื่อเป็นเช่นนี้มันก็มันก็ทำให้จิตนั้นตั้งมั่นสม่าเสมอไปไม่ได้เรื่องมันนะ ถ้าผู้ใดาตามจิตใจตัวเองตามรู้จิตใจตัวเองไปเสมออย่างนี้แล้วเวลามันเผลอไปมันกิริยาการของขีดมันผิดปกติไปขณะไหนก็รู้ได้ขณะนั้นอย่างนี้นั่นแหละมันถึงมีทางที่จะรักษาสมาธิให้สม่ำเสมอไปได้ <c oughs> ก็ให้พึ่งพาการเข้าใจอย่างนี้อุบายวิธีฝึกจิตนี้นะมันสำคัญในแท้เรื่องการรักษาสมาธิจิตไว้ให้ได้นี้นะเมื่อรักษาสมาธิจิตไว้ได้แล้วปัญญานั้นมันก็มีอยู่ประจำอยู่กับจิตนั้นเสมอไปอุปมาเหมือนอย่างคนขุด ดินลงไปหวังจะให้ได้น้ําอยู่ใต้ดินนั่นมาใช้นั่นไงพยายามขุดลงไปขุดลงไปทีแรกมันก็ไปถึงน้ําซึมซะก่อนเพียงเท่านั้นยังไม่พอใช้เพียงแค่น้ําซึมเนี่ยเอาต้องพยายามขุดลงไปอีกเอาไปจนถึงสายน้ําใหญ่นู้นนะเมื่อถึงสายน้ําใหญ่แล้วน้ํามันออกมาไม่หยุดยั้งเลยวันนี้ ตักออกไปเท่าใดมันก็ออกมาอยู่เท่าเก่านั่นเลยอย่างนี้นะอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นเลยการฝึกสมาธินี่เมื่อเราฝึกไปฝึกไปใจมันก็หนักแน่นเข้าไปใจมันก็ตั้งมั่นเข้าไปยิ่งเข้าไปเรื่อยๆเมื่อใจตั้งมั่นเข้าไปเพียงพอแล้วอย่างนี้ มันก็ไม่ค่อยลืมตัวแบบนี้นะนั่นแหละไม่ค่อยเผลอตัวเสียใจดีใจอะไรต่ออะไรไปนะเช่นนี้แล้วเวลามีเรื่องอะไรกระทบกระทั่งมามันก็รู้เท่าทันได้รู้ความเกิดความดับของเรื่องต่างๆในโลกอันนี้นะมันก็ไม่มีอะไรหรอกทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปดีก็ดีชั่วก็ดีไม่ ด, ไมดีไม่ชั่วก็ดี มันก็แค่เกิดขึ้นแล้วก็แปรปรวนดับไปดับไปเท่านั้นเองนี่เมื่อเมื่อจิตตั้งมั่นลงไปแล้วปัญญามันก็เกิดขึ้นอย่างนี้แหละที่ท่านเรียกว่าไตรลักษณญาณ น, นี่ไตรลักษณญาณ น, นี่มันต้องประจำอยู่กับความรู้สึกอันนี้เสมอทีเดียวฮะเมื่อมันประจำอยู่อย่างนี้แล้ว ท่านอุบมาแบบหนึ่งไงเรื่องยานนี่นะเหมือนอย่างกองไฟใหญ่ที่มันลุกโพรงอยู่เนี่ยเมื่ออะไรไปิวเข้ามาใส่แล้วมันไม่หมดไม่หมดเลยมันไม่มีเหลือะไรอันนี้ยานความรู้นี่ไตรลักษณ์นายนี่ก็เป็นเช่นนั้นหลยเรื่องดีเรื่องชั่วอะไรกระทบเข้ามานี่ มันมันก็ดับไปดับไปดับไปอยู่นะั้นเพราะจิตไม่ยึดถือเอามันเรื่องมันนะหมายถึงเรื่องดีเรื่องชั่วภายนอกนะเช่นอย่างว่าคนผู้นี้เป็นคนดีนะคนผู้นี้เป็นคนสวยนะอย่างนี้นะคนผู้นะนี้เป็นคนมีปัญญามากมีทรัพย์มากอะไรอย่างนี้นะ นี่เขาเรียกว่าโลกสมมุติกันว่าดีเป็นคนดีอย่างนี้นะว่าของสิ่งนี้ดีนะอย่างนี้มีดพระเล่มนี้ดีนะเหนียวดีไม่บินไม่บานอย่างนี้อ่ะเป็นต้นบุคคลผู้เจริญปัญญาวิปัสสนาแล้วมันจะเห็นตรงกันข้ามกับสมมุติของโลก แต่ก็ยอมรับสัจะสมมุติสัจะของโลกที่เขาว่าดีก็ยอมรับแต่ถ้าว่าในปรมัติธรรมแล้วหากรู้ว่ามันเป็นของไม่ดีไม่ชั่วเกิดแล้วดับไปทุกสิ่งทุกอย่างนี่ดีก็ไม่ใช่ชั่วก็ไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นของเกิดดับอยู่ตามหน้าที่ของมัน แล้วจิตใจนี้ไม่ได้สร้างความยินดียินร้ายกับสิ่งเหล่านั้นแล้วเหตุปัจจัยที่จะให้จิตใจไปเกาะไปคล้องอยู่กับสิ่งเหล่านั้นไม่มีอืมือนก็ขาดตอนกันนี่แหละเรื่องของตรลักษณะญาณ น, นะเมือ่อบุคคลมาบำเพ็ญให้เกิดให้มีขึ้นในใจของผู้ใดแล้ว มันก็เผาผานกิเลสต่างๆให้ดับไปดับไปอยู่อย่างนั้นหรือว่าเผาเหตุแห่งทุกข์ที่จิตใจมันจะยึดจะถือเอาไว้นั้นให้ดับไปดับไปอยู่อย่างนั้นเพราะฉะนั้นพระอริยบุคคลทั้งหลายท่านจึงมีจิตสม่มเสมอท่านจึง จิตใจของท่านจึงไม่พลิกแพลงไปเช่นอย่างว่าเดี๋ยวกว็เป็นทุกข์เดี๋ยวกว็เป็นสุขขึ้นมาอย่างนี้นะนั่นเรียวกว่าจิตใจพลิกแพลงจิตของพระอริยบุคคลทั้งหลายนั้นท่านไม่เปลี่ยนแปลงอย่างนั้นท่านมีความรู้สึกเฉยต่อ อารมณ์ต่างๆในโลกนี้ทั้งที่เป็นส่วนดีหรือส่วนชั่วหรือไม่ดีไม่ชั่วก็ตามท่านเห็นก็สักแต่ว่าเห็นได้ยินก็สักแต่แตได้ยินได้ทราบหรือว่าได้รู้สึกก็สักแต่ว่าได้รู้สึกเท่านั้นไม่มีความหมายอะไรในทางจิตใจ ไม่มีความหมายที่จะให้เกิดความยินดียินร้ายเสียใจเศร้าโศกอะไรอย่างนี้นะไม่มีก็เป็นสัก์แต่ว่านี่อันนี้แหละข้อปฏิบัติในพระพุทธศาสนานี่มันก็ลึกเข้าไปโดยลำดับอย่างนี้หละ